สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซู ต, ตอนที่สี่ร้อยหกสิบหกเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่สิบครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์เราจะมาดูกันด้วยเวลาที่ชั้นๆไม่มากนักเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาค่อนข้างสบายๆแล้วก็ ไม่มากจนเกินไปอยากใช้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะตั้งใจฟังนะครับหัวข้อในวันนี้เกี่ยวข้องกับของประธานก็คือว่าเป้าหมายของของประธานหรือวัตถุประสงค์ของของประทานนั้นได้ประทานมาเพื่ออะไรในขณะที่พระเจ้าได้ทรงให้ของประทานเพื่อเราใช้ประโยชน์ให้เราเป็นอวัยวะของร่างกายที่ทําหน้าที่ต่างๆกัน มหมาว่าแห่งพระวรกายของพระเยซูนั้นก็คือเราทั้งหลายทุกคนควรจะต้องใช้ของประธานครับควรจะต้องใช้ของประธานทุกคนและเราเป็นผู้รับของประทานก็ขอให้เราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีครับผู้รับมอบฉันทะที่ดีก็คือเป็นผู้ที่มีความชื่อสัตย์เป็นผู้ที่ทําตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ของประธานนั้น ในขเดียวกันครับเมื่อเรารับมอบฉันทะเราต้องเป็นผู้ที่แจกจ่ายและสำแดงพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างให้กับผู้รับให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อที่ให้เขานั้นมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ให้ดีด้วยนีย่นครับสิ่งนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่สิบนะครับหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่สิบและท่านอักซูบาโร ได้เขียนไว้ว่าในเมื่อเรามีของประทานก็ให้เราใช้ของประทานนั้นนะครับให้เราใช้ของประทานนั้นที่เป็นคำสั่งครับให้ใช้ของประทานนะครับคาถามต่อไปก็คือว่าใช้ทำอะไรใช้เพื่ออะไรมีว่าเป้าหมายมีว่าตถุประสงค์ยังไงบ้างพี่น้องครับถ้าเราดูนะครับมีความเข้าใจผิดกันมากมายเกี่ยวกับเป้าหมายที่ที่พระเจ้าประทานของประทาน ฝ่ยายจีบอิญญาณหลายหลายอย่างในเครือจักรบางคนก็พูดว่าเป็นของประทานแห่งความรักก็เหมือนกับว่าเป้าหมายหลักของของประทานก็คือส่งเสริมผู้รับของประทานและให้เราใช้เพื่อคุณประโยชน์หรือเพื่อผลประโยชน์ของเราเองอันนี้เป็นผิดครับก็คือว่าแท้จริงแล้วของประทานที่เรามีต่อกันมีไว้เพื่อกันและกันครับมีไว้เพื่อผลประโยชน์และหรือคุณประโยชน์ของ การและกันของพวกเราไม่ใช่ของฉันบางคนก็คิดว่าเป็นของมัตทานเพื่อการนมัสการเขาเขา้าใจผิดคิดว่าเป้าหมายหลักของการนมัสการพระเจ้าหรือการดําเนินการหลักก็คือการนมัสการร่วมกันแต่พระคัมภีรยืนยันว่าของวทานนั้นเป็นเพื่อกันและกันครับเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์หลักหรือน้ำมันไทยหลักของพระเจ้า ที่ประทานของประธานให้กับเรานั้นพี่น้องครับต้องชัดเจนครับก็คือเรื่องเพื่อคุณประโยชน์หรือผลประโยชน์ของคขึ้นจักรก็คือของพวกเราทั้งหลายนะครับคุณประโยชน์หรือการเสริมสร้างคขึ้นจักรหรือเพื่อขึ้นจักรนั้นเป็นจุดประสงค์หลักเลยครับของการใช้ของประธานถ้าถามว่าของประธานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับอะไรที่สําคัญหรืออะไรที่มีความจําเป็น และเราต้องทําหรือไม่ต้องทําอย่างไรนั้นต้องกลับมาดูถึงเบสิกหรือหลักการที่สําคัญที่จุดของเป้าหมายวัตถุประสงค์ของของประทานก็คือว่าทําให้เครื่องจักรจำเริญขึ้นหรือไม่นะครับถ้ า, าว่าจำเริญขึ้นเรากําลังทําตามวัตถุประสงค์ครับท่านอักขรูดเปาโลและครูดเปโตเน้นถึงก่อนการใช้ของประทานเพื่อคนอื่นครับโดยไม่เห็นแก่ตัว เพื่อขึ้นจักทั้งขึ้นจักอย่างที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองในพระธรรมหนึ่งโครินเบอที่สิบสองข้อเจ็ดได้กล่าววนี้ครับว่าการสำแดงของพระวิญ ญ, ญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับหนึ่งโครินเบอที่สิบสองข้อเจ็ดนะครับการสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันคำว่าร่วมกันนี้ก็คือว่าเป็นผลประโยชน์หรือเกิดประโยชน์หรือคุณประโยชน์ของทุกทุกคนครับ ในหนึ่งเป hey. ตรบทที่สี่ข้อสิบก็ยังกล่าวอย่างนี้นะครับว่าตามซึ่งทุกคนได้ของประธานได้รับของประธานที่จงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันหนึ่งเปตรบทที่สี่ข้อสิบนะครับตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่จงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเพื่อประโยชน์แก่กันและกันครับพี่น้องนี่คือวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของการให้ของประทาน การประทานของประทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อของประทานฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นให้มากับเรานะครับมิใช่เพื่อช่วยเหลือหนุนใจเสริมสร้างแต่ตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นครับแต่นี่คือความหมายของการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าทำไมของประทานบางอย่างนะครับจึงมีคุณค่ามากกว่าของประทานอื่นๆผมจะบอกกับพี่น้องครับเราไม่ดูถูก เราไม่ดูหมิน่นเราไม่หญิงไม่ยะโสหรือหญิงพยองในขณะเดียวกันครับของประทานนั้นมีแรนกิง้งนะครับแรนกิง้งความสําคัญครับนะความสําคัญหรือคุณค่าไม่เหมือนกันครับในขณะที่เราเห็นพระคัมภีร์หนึ่งโครรียนบทที่สิบสองก้อสามสิบเอ็ดได้กล่าวว่ามีของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าของประทานอื่นๆ ก็คือความรักเห็นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับไอไว้วะก็คือคุณค่าของเราเนี่ยนะครับเท่ากันแต่คุณค่าของของประธานนั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพ่มพีจึงสนับสนุนหรือพยายามหนุนใจเราให้เราแสวงหาของประธานที่เหนือกว่าของประธานปกติทั่วๆไปครับแต่คนเท่ากันนะครับ คนนั้นในสายพันธุ์ของพระเจ้าเท่ากันแต่ของประทานนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากันพี่น้องต้องแย่งให้ถูกนะครับคนที่มีของประทานนั้นในสายพันธุ์เท่ากันแต่ตัวของประทานเองนั้นมีความแตกต่างกันครับและไม่มีใครที่จะมืจนกว่าเขาจะแสวงหาพี่น้องครับของประทานนั้นแสดงว่าเราแสวงหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกันและกัน นะครับดูเหมือนว่าของประทานนั้นเกิดขึ้นกับแต่ละคนตามชอบประทยของโปรง่งแต่เมื่อใช้ของประทานมาอยู่ด้วยกันหรือร่วมกันใช้ของประทานหรือเอาของประทานมาแชร์กันหรือแบ่งปันกันสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องไม่หยิงยโสไม่ไม่พยองในเวลาเดียวกันต้องไม่ดูถูกตัวเองและที่สําคัญที่สุดที่จะเอาของประทาน มาประสานกันได้มาบรุรณาการกันได้ต้องใช้ความรักครับซึ่งเพื่อนพี่บอกว่านี่เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าหากว่าไม่มีความรักก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองท่านได้เกิดบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากครับก็คือว่าของประทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่สลักสําคัญที่สุดในเรื่องของความสามารถในด้านต่างๆ ความสามารถในการคิดความสามารถในการจดจําความสามารถในการพูดความสามารถในการอะไรหลาอย่างซึ่งถือว่าเป็นของประทานยังไงก็สู้ความรักไม่ได้ครับเพราะความรักนั้นสามารถผูกพันของประทานแต่ละอย่างนั้นให้เข้ามาอยู่ด้วยกันและเกิดผลเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดครับเพียงครับในขึ้นจักของเราก็เช่นเดียวกันครับหลายแหล่ขึ้นจักนั้นมีผู้คนที่มีของประทานเยอะแยะมากมายครับ นะครับทางของประทานในหลายหด้านนะครับแต่ก็มีดูเหมือนว่ามีของวระธานบางอย่างก็มีแลนกิ้งที่ดีกว่าของประธานบางอย่างนะครับแต่ในสายพระเนศของพระเจ้านั้นเราเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรักครับผูกพันไว้ด้วยกันความรักที่ทําให้เราถ่อมใจความรักที่จะทําให้เราเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นก่อน ความรักที่ทำให้เราสามารถแชร์หรือแบ่งปันของประทานที่เราได้รับจากองค์พระนเจ้าได้แต่ด้วยเหตนนี้นี่เองนะครับหลายๆทีจากนั้นตกหลุมพรางของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานพยายามทำลายความรักที่เรามีต่อกันครับมันพยายามทำลายหรือลักขโมยความรักที่เรามีต่อกันหรือมีอยู่แล้วให้ออกไปทำให้เกิดความแตกแยกขัดแยง้งเกิดรากขมขื่นเังนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ อย่าปล่อยให้สิ่งต่างเหล่านี้มาทำร้ายทำลายที่จักของพระเจ้าและมันจะทำลายล้างซึ่งกันและกันครับอาเมน